หการตามรู้กายและเวทนาให้รู้ลงปัจจุบันในสติปัฏฐานท่านมีคำว่ากายานุปัสนาถ้ารู้ตรงตั้งแต่เริ่มต้นไม่มีคำว่ากายานุปัสนามันเป็นการตามเห็นกายเนืองๆตามเห็นไปเพื่ออะไรเพื่อให้จิตจำสภาวะของรูปได้เมื่อจิตจำสภาวะของรูปได้เมื่อสภาวะของรูปใดๆปรากฏขึ้นสติจะเกิดขึ้นเองเมื่อสติเกิดขึ้นเอง จิตจะตั้งมั่นเกิดสัมมาสมาธิขึ้นเองพอจิตมีสัมมาสมาธิขึ้นมามันจะเห็นรูปที่กำลังปรากฏอยู่นี่ไม่ใช่ตัวเราจะเห็นทันทีเพราะฉะนั้นเห็นรูปไม่ใช่ตัวเราเห็นทันทีเลยที่มีความรู้สึกตัวขึ้นมาใจตั้งมั่นขึ้นมามันเป็นขั้นเจริญปัญญาเพราะฉะนั้นสติปัฏฐานมีสองขั้นขั้นที่หนึ่งตามรู้กายเวทนาจิตธรรมเพื่อให้เกิดสติขั้นที่สองรู้กายที่เป็นปัจจุบัน แล้วก็เห็นว่ามันไม่ใช่เรานี่ทําให้เกิดปัญญาตามรู้เวทนาจิตธรรมไปเวทนารู้ลงปัจจุบันได้นะยังเห็นได้อยู่เพราะอะไรเพราะเวทนาไม่ใช่อกุสลส่วนเวทนาทางจิตยังเรามีความสุขเรารู้อยู่ความสุขก็ยังไม่ได้ดับไปไม่จำเป็นต้องดับตัวอกุสลต่างหากที่ต้องดับอกุสลจะดับทันทีที่สติเกิด โทโมนสเวทนาจะดับทันทีเพราะธรมนสเวทนาเกิดร่วมกับอากุศลจิตเท่านั้น